ข้อ401หน้า256บุคคลเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นอย่างไรคือบุคคลเมื่อหายใจเข้าสั้นย่อมหายใจเข้าในขณะที่นับได้นิดหน่อยเมื่อหายใจออกสั้นย่อมหายใจออกในขณะที่นับได้นิดหน่อย เมื่อหายใจเข้าหายใจออกสั้นย่อมหายใจเข้าบ้างหายใจออกบ้างในขนาดที่นับได้นิดหน่อยฉันทะย่อมเกิดใจวิสุผู้เมื่อระบายเข้าบ้างระบายออกบ้างซึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกสั้นในขนาดที่นับได้นิดหน่อยเมื่อหายใจเข้าสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยสามารถฉันทะย่อมหายใจเข้า ในขณะที่นับได้นิดหน่อยเมื่อหายใจออกสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยสามารถฉันทะย่อมหายใจออกในขณะที่นับได้นิดหน่อยเมื่อระบายเข้าสั้นระบายออกบ้างซึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยสามารถฉันทะในขณะที่นับได้นิดหน่อยความปราโมด ย่มเกิดแก่พิจุผู้ระบายเข้าบ้างระบายออกบ้างซึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยสา ม, มารถฉันทะในขณะที่นับได้นิดหน่อยเมื <S <s <S <S ่อหายใจเข้าสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยสามารถความปราโมทย่อมหายใจเข้าในขณะที่นับได้นิดหน่อยเมื่อหายใจออกสั้นละเอียดกว่านั้น ด้วยสามารถความปราโมดย่อมหายใจออกในขณะที่นับได้นิดหน่อยย่อมระบายเข้าบ้างระบายออกบ้างซึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยสามารถความปราโมดในขณะที่นับได้นิดหน่อยจิตของวิสุผู้เมื่อระบายเข้าบ้างระบายออกบ้างซึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกสั้น ละเอียดกว่านั้นด้วยสามารถความปราโมทในขณะที่นับได้นิดหน่อยย่อมลออกจากการหายใจเข้าหายใจออกสั้นอุเบกขาย่อมตั้งอยู่กายคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกสั้นด้วยการก้าวเหล่านี้ปรากฏขึ้นสติเป็นอนุปัสนาญาณกายปรากฏมิใช่สติ สติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยบุคคลพิจารณากายนั้นด้วยสตินั้นด้วยยานนั้นดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปัฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นกายในกายข้อ402หน้า257คำว่าพิจารณาความว่า บุคคลพิจารณาเห็นกายนั้นอย่างไรพิจารณาเห็นกายนั้นอย่างนี้คําว่าภาวนาได้แก่ภาวนาสี่ภาวนาด้วยอาจว่าเป็นที่ซ่องเสพเมื่อรู้ว่าเมื่อรู้ความที่จิตเมียรมเดียวไม่ฟุง้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจเข้าลมหายใจออกสั้นเวทนา จึงปรากฏเกิดขึ้นบุคคลรู้ความทิจิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจเข้าลมหายใจออกสั้น ย, ออย่อมยังอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลงเพราะเห็ุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและย่อมแทงตลอดทำอันเป็นประโยชน์คือความสงบข้อ403หน้า258 บุคคลย่อมสำเหนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจออกอย่างไรคำว่ากายได้แก่กายสองคือนามกายหนึ่งรู ป, ปกายหนึ่งนามกายเป็นจไหนคือเวทนาสัญญา เจตนาปัตตะมนัสิการเป็นนามด้วยเป็นนามากายด้วยและท่านกล่าวจิตสังขารว่านี้เป็นนามากายรูปากายเป็นชไหนคือมหาพุทธ ร, รูปสี่รูปที่อาศัยมหาพุทธ ร, รูปสี่ลมอศาศาัสาสะปัตสาสะนิมิตและท่านกล่าวว่ากายสังขารที่เนื่องกัน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 ด้วยสามารถลมหายใจออกยาวสติย่อมตั้งมัน่นกายเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยอย่า น, นั้นเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจเข้าสั้นเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจออกสั้น เมื่อคำนึงถึงกายเหล่านั้นย่ำปรากฏเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิษฐานจิตเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาเมื่อประคองความเพียรเมื่อตั้งสติไว้มั่นเมื่อตั้งจิตมั่นเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาเมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่ง เมื่อกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้เมื่อละทำที่ควรละเมื่อเจริญทำที่ควรเจริญเมื่อทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งกายเหล่านั้นย่อมปรากฏอย่างนี้กายคือความเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกปรากฏสติเป็นอนุปาานัสนาญาณกายปรากฏ ไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยบุคคลพิจารณากายนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปัฐานภาวนาคือการพิจารณากายในกายข้อ405หน้า259คำว่าพิจารณา ความว่าชื่อว่ า, าวศิลวิสุทธิด้วยอัตว่าเป็นผู้ิโรแจ้งกองลมทั้งปวงสำรวมลมหายใจเข้าลมหายใจออกชื่อว่าจิตตวิสุทธิด้วยอัตว่าไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิด้วยอัตว่าเห็นความสำรวมในศิลวิสุทธินั้นเป็นอธิศินสิกขาความไม่ฟุ้งซ่านในจิตตวิสุทธินั้นเป็น อธิจิตตศิกขาความเห็นในทิฏฐิวิสุทธินั้นเป็นอธิปัญญาศิขาบุคคลเมื่อกำหนงถึงศิขาสามประการนี้ชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่าศึกษาเมื่อพิจารณาชื่อว่าศึกษาเมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าศึกษาเมื่อน้อมใจเชื่อชื่อว่าศึกษา เมื่อประคองความเพียรชื่อว่าศึกษาเมื่อดำรงสติมั่นชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้งจิตมั่นชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ธรรมยิ่งที่ควรรู้ยิ่งชื่อว่าศึกษาเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อละธรรมที่ควรละ ชื่อว่าศึกษาเมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญชื่อว่าศึกษาเมื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกเวทนาย่อมเกิดปรากฏ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 หน้าสองบุคคลย่อมสำเนียกว่าเราจักระงรับกายสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักระงรับกายสังขารหายใจออกอย่างไรกายสังขารเป็นชไหนลมหายใจเข้ายาวเป็นไปทางกายทำเหล่านี้เนื่องด้วยกายเป็นกายสังขารบุคคลระงรับ คือดับสงบระงับกายสังขารเหล่านั้นศึกษาอยู่ลมหายใจออกยาวเป็นไปทางกายตามเหล่านี้เนื่องด้วยกายเป็นกายสังขารบุคคลระงับคือดับสงบกายสังขารเหล่านั้นศึกษาอยู่ลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นลมที่บุคคลรู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจเข้า เป็นใบทางกายตามเหล่านี้เนื่องด้วยกายเป็นกายสังขารบุคคลระ ง, งับคือดับสงบกายสังขารเหล่านี้เหล่านั้นศึกษาอยู่ความอ่อนไปความน้อมไปความเอนไปความโอนไปความหวั่นไหวความดินน้นรนความโยกความโครงแห่งกายมีอยู่ เพราะกายสังขารเห็นปานใดบุคคลย่อมศึกษาว่าเราจักรรับกายสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจักรรับกายสังขารหายใจออกความไม่อ่อนไปความไม่น้อมไปความไม่เอ็นไปความไม่โอนไปความไม่หวั่นไหวความไม่ดิ้นรนความไม่โยกความไม่โครงแห่งกายมีอยู่ เพราะกายสังขารเห็นปานใดบุคคลย่อมศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารที่ละเอียดสุขุมหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารที่ละเอียดสุขุมหายใจออกได้ทราบมาดังนี้ว่าบุคคลย่อมศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออก เมื่อเป็นอย่างนี้ความได้ลมก็ไม่ปรากฏลมอาซาสะปะซาสะก็ไม่ปรากฏอาณาปานสติก็ไม่ปรากฏอาณาปานสติสมาธิก็ไม่ปรากฏและบัณฑิตทั้งหลายแม้จะเข้าแม้จะออกจากสมาบัตินั้นก็ไม่ได้ได้ทราบมาดัางนี้ว่าบุคคลย่อมศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าเราจักรับกายสังขารหายใจออกเมื่อเป็นอย่างนี้ความได้ลมก็ปรากฏลมภสาษสสาะภาษาะก็ปรากฏอนาปานสติก็ปรากฏอนาปานสติสมาธิก็ปรากฏและบัณฑิตทั้งหลายแม้จะเข้าแม้จะออกจากสมาบัตินั้นก็ได้ข้อนั้นเหมือนอะไรเหมือน เมื่อบุคคลตีกลางสดานเสียงดังย่อมเป็นไปก่อนเพราะเหตุที่ถือใส่ใจทรงจำนิมิตแห่งเสียงดังได้แล้วแม้เมื่อเสียงดังจะดับลงต่อมาเสียงค่อยก็เป็นไปภายหลังเพราะเหตุที่ถือใส่ใจทรงจำนิมิตแห่งเสียงค่อยได้แล้วแม้เมื่อเสียงค่อยจะดับลงต่อมาภายหลัง จิตก็ดําเนินไปได้แม้เพราะมีนิมิตแห่งเสียงค่อยเป็นอารมณ์ข้อนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่หยาบย่อมเป็นไปก่อนเพราะเหตุที่ถือใส่ใจทรงจํานิมิตแห่งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่หยาบได้แล้วเมื่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่หยาบเบาลงต่อมาลมหายใจเข้า และลมหายใจออกที่ละเอียดย่อมเป็นไปในภายหลังพระเหตุที่ถือใส่ใจทรงจำนิมิตแห่งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่ละเอียดได้แล้วแม้เมื่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่ละเอียดจะเบาลงอีกต่อมาภายหลังจิตก็ย่อมไม่ถึงความฟุง้งซ่านแม้เพราะมีนิมิตแห่งลมหายใจเข้า และลม ใ, ใจออกที่ละเอียดเป็นอารมณ์เมื่อเป็นอย่างนี้ความได้ลมก็ปรากฏลมอสาสะปัสสะก็ปรากฏอนาปานสติก็ปรากฏอนาปานสติสมาธิก็ปรากฏและบัณฑิตทั้งหลายแม้จะเข้าแม้จะออกจากสมาบัตินั้นก็ได้กายคือ ความที่บุคคลระรับกายสังขารหายใจเข้าหายใจออกปรากฏสติเป็นอนุปาานัสนาญาณกายปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยบุคคลพิจารณากายนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นดังนี้เพราะเหตุ น, นั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปัฏฐานภาวนาคือการวิจารณาเห็นกายในกาย ข้อ407หน้า261คำว่าพิจารณาความว่าบุคคลพิจารณาเห็นกายนั้นอย่างไรพิจารณาเห็นกายนั้นอย่างนี้คำว่าภาวนาได้แก่ภาวนาสชื่อว่าภาวนาด้วยอัดว่าเป็นที่เสพ ชื่อว่าศีลวิสุทธิด้วยว่าความเป็นผู้ระ ง, งับกายสังขารสำรวมลมหายใจเข้าลมหายใจออกชื่อว่าจิตตวิสุทธิด้วยว่าไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิด้วยว่าเห็นความสำรวมในศีลวิจุธินั้นเป็นอธิศิลป์สิกขาความไม่ฟุ้งซ่านในจิตตวิสุทธินั้นเป็น อธิจิตตสิกขาความเห็นในทิฏฐิวิจุธินั้นเป็นอธิปัญญาสิกขาบุคคลเมื่อกำหนงถึงสิกขาสามประการนี้ชื่อว่าศึกษาเมื่อทําให้แจ้งธรรมที่ควรทําให้แจ้งชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุง้งซ่านด้วยสา ม, มารถความเป็นผู้ ระ ง, งับกายทังขารหายใจเข้าหายใจออกเวทนาย่อมเกิดปรากฏเมื่อรู้ความที่จิตมียรมเดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถความเป็นผู้ระ ง, งับกายทังขารหายใจเข้าหายใจออก ย, อย่อมอย่างอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลงเพราะเหตุนั้นท่านยังกล่าวว่าและแทงตลอดทำอันเป็นประโยชน์คือความสงบ อนุปจนายาน8อุปฐานานุสติ8และสุดตันติกาวัตถุในการพิจารณาเห็นกายในกาย4จบพานวาน